เหตุนี้เมื่อตอนก่อนจะทําวัดก็มีโยมคณะหนึ่งมาหามีคนหนึ่งก็สนใจเรื่องธรรมะจะ แ, แกมีความเข้าใจว่าจะเข้าใจธรรมะได้นี่ต้องอ่านหนังสือก็อธิบายให้แกเข้าใจว่าการอ่านนี่ก็สําคัญนะแต่ว่ามันไม่พอมันต้องปฏิ บ, บัติ ด, ด้วยเพราะว่าคนที่ คนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันไม่ได้แปลว่าจะสามารถจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้คนเราพฤติกรรมของคนเรามันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิด แต่ว่ามันต้องอยู่ที่คุณภาพจิตด้วยอย่างเช่นคนทุกวันนี้จํานวนไม่น้อยก็รู้นะว่ากินเหล้าไม่ดีอย่างไรสูบบุหรี่นี่เป็นโทษอย่างไรแต่หลายคนก็เลิกไม่ได้ก็ยังกินเหล้าสูบบุหรี่รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายทําให้เป็นมะเร็งทําให้ทุ้งลมป่งพอ ง, องแต่ เลิกไม่ไดนะ้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าใจใจมันไม่ไปด้วยเด็กนักเรียนก็รู้นะว่าความขยันเป็นเรื่องดีนะความขี้เกียด น, นี่ไม่ดีถ้าไม่ทำการบ้านเอาแต่เล่นเกมนะก็ไม่เกิดความรู้เด็กก็รู้นะ แต่ว่าก็ยังเกียดคร้านหรือว่าก็ยังติดเกมอยู่อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยกับความคิดนี่มันไม่ได้ไปด้วยกันนะหรือความรูนะ้การที่เรามีความรู้มันก็ยังไม่พอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ มันต้องมีการปฏิบัติด้วยเราก็เคยเคยได้ยินนะสำนวนที่เขาเขียนกันบางทีก็ติดเป็นสติ๊กเกอร์หลังรถ10บล้อนะดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะคือรู้เยอะแต่ห้ามใจไม่อยู่อดใจไม่ได้ ท่านจะห้ามใจได้จะอดใจได้นี่ก็ต้องฝึกนะต้องปฏิบัติก็ถามว่าปฏิบัตินี่ปฏิบัติอย่างไรก็แนะนำเขาเรื่องการเจริญสตินะอเช่นเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินหรือว่าเวลาทำอะไรก็ตามก็ให้รู้ว่าทำสิ่งนั้นรวมไปถึงการกินข้าอาบน้ำถูฟันก็ให้รู้ ก็ถามว่ารู้นี่มันต้องใช้ความคิดใช่ไหมเขาบอกไม่ต้องใช้ความคิดวางความคิดล ง, ลงไปเลยนะไม่ต้องใช้ความคิดเรื่องการเจริญสติไม่ต้องใช้ความคิ ด, รร ใ, ชคคดใช้ใจรู้สึกเอาเขาก็ไม่เข้าใจนะเขบอกเอ๊ะถ้าไม่ใช้ความคิดเราจะรู้ได้อย่างไรก็เลยยกตัวอย่างเขาฟังว่าเวลากินข้าวเนี่ยแล้วมันอร่อยเนี่ยมันต้องใช้ความคิดไหมถึงจะรู้ว่าอร่อยเนี่ย เวลามีคนมาแตะหลังเราเนี่ยต้องใช้ความคิดมาถึงจะรู้ว่ามีคนมาแตะหลังเราเวลามีเข็มมาจิ้มที่ตัวเราที่แขนเราต้องใช้ความคิดมาถึงจะรู้ว่าเจ็บเขาก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อให้เรื่องความรู้สึกเรื่องการการปฏิบัติ ด, ด้วยการที่ใจไปรู้สึกหรือรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกายนี่ มันไม่ใช่ต้องใช้ความคิดเรียกว่าวางกับวางเลยนะความคิดแต่ว่าการที่โยมคนนี้เขามีคำถามอย่างที่ว่ามาก็แสดงว่าเขาใช้ความคิดมากเกินไปเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละนะคือใช้ความคิดมากจนกระทั่งรู้สึกไม่เป็นอันนี้เป็นปัญหามากนะใน แม้ยิ่งประเทศอย่างอเมริกาก็มีนักปฏิบัติธรรมที่เป็นอาจารย์นี่เข้ามาพูดให้ฟังว่าคนอเมริ ก, าากนันจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้จักความรู้สึกของตัวเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นนี่ไม่รู้ได้ซ้ําว่ามันมันคืออารมณ์อะไรคือแทบจะแทบจะไม่รับรู้เลยนะไอ้เรื่องการใช้ใจเนี่ยเพราะว่า เขาใช้แต่ความคิดใช้แต่เหตุผลจะให้รู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์เป็นอย่างไรเช่นโกรธเสียใจนี่เขาเขาบางทีงงนะไม่รู้ว่าไอาความรู้สึกนี้มันคืออะไรไม่ใช่เรียกชื่อไม่ถูกนะแต่มันเหมือนกับว่าไม่รับรู้ไม่ชัดเลยนะอันนี้เป็นปัญหาของคนในยุค ป, ปัจจุบันที่ใช้ความคิดมากจกนกระทั่งรู้สึกไม่ ความรู้สึกนี่ไม่ไม่ตระหนักชัดแต่พูดอย่างนี้ไม่ไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่รู้สึกนะเขารู้สึกและบางทีก็รู้สึกมากด้วยคืออารมณ์รุนแรงด้วยนะแต่ว่าไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์นั้นได้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอารมณ์ชนิดใดนะอย่างนี้เรียกว่าแปลกแยกกับตัวเองมากนะแล้วมันก็คนไทยก็ เนอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือใช้ความคิดเนี่ยมากเกินไปจนกระทั่งรู้สึกไม่เป็นเวลาจะให้ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็บอกว่าให้รู้สึกนะก็ทําไม่ค่อยถูกบางทีก็ต้องมีเขาความคิดกํากับลงไปด้วยว่าเนี่ยฉันกําลังเดินฉันกําลังเดินฉันกําลังยกมือ อันนัน้นไม่ใช่ความรู้สึกแล้วนะ น, นั่นมันเป็นความคิดอาการจเจริญสตินี่มันไม่มันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะวางความคิดลงชั่วคราวเมื่อยกมือก็รู้สึกว่ายกมือเมื่อเดินก็รู้สึกว่าเดินนะไม่ต้องมีความคิดไปกํากับนะหลายคนนี่พอพอไม่ใช้ความคิดเนี่ยก็จะสึกเคว้งคว้าง อย่างโยมคนนี้เขาก็พูดเนี่ยว่าคนลําต้อคิดตลอดเวลาถ้าไม่คิดจะทําได้ยังไงก็แนะนําให้เขาฟังเวลาฟังเพลงต้องใช้ความคิดนะเวลาเราฟังเพลงเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะไอตอนนั้นแหละคือเป็นช่วงที่มันหยุดใช้ความคิดแต่ว่าอาจจะใช้ความรู้สึกจนจนล่องลอยหรือจนลืมตัวก็ได้ หรือว่าจงจนเคลิบเคลิมหลงไหลก็ได้ไอตอนนั้นมันไม่ได้ใช้ความคิดแล้วนะฉนั้นเวลาเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะเลยเพราะการเจริญสติหรือการทําสมาธิภาวนานนให้วางความคิดลงชั่วคราวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะวางกันได้ไง่ายๆเพราะว่าเราคิดกันมากเราคิดกันเยอะเวลาปฏิบัติมันก็ ใจมันก็ลอยนะฟุ้งซ่านนะยกมือให้รู้สึกว่ายกมือมันก็รู้สึกประเดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วก็ไปให้สังเกตนะตอนที่ใจเราลอยเนี่ยหรือว่าไหลไปข้างนอกเนี่ยความรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวว่ากำลังเดินเนี่ยมันก็จะหายไปนะเพราะใจคนเรามารับแต่าอารมณ์เดียว พอใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไหลไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดังกลิ่นที่โชยเข้ามาไอ้ตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกว่ากาลังเดินกาลังยกมือก็หายไปยิ่งถ้าจมเข้าไปในอารมณ์ด้วยแล้วเนี่ยก็จะบางทีไม่รู้สึกเลยไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกนะบางทีคนเรียกก็ไม่ได้ยิน เราเคยไหมที่จมอยู่ในความเศร้าวความเสียใจความโกรธนะมันไม่รับรู้อะไรอย่างอื่นเลยนะคนเรียกก็ไม่ได้ยินนะเนี่ยขนาดเสียงเรียกยังไม่ได้ยินเลยนะภาษาอะไรกับเวลาเดินมันจะรู้สึกได้อย่างไรนะใจมันไม่ไม่รับรู้แล้วเจ้าห น, นที่เราก็กำหนดไว้ในใจนะเออ เราจะเมื่อยกมือเมื่อเดินเราจะรู้สึกจะให้ใจยอยู่กับการเดินจะให้ใจยอยู่กับการสร้างจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลืมไปล้ะลืมไปเลยนะว่าเมื่อกี้ตั้งใจจะทําอะไรไอตอนที่ลืมเนี่ยเรียกว่าไม่มีสติว่ได้พูดไปแล้วว่าสติคือระลึกได้นะถ้าลืมเมื่อไหร่ก็คือไม่มีสติ ไอ้เรื่องลืมนี่มันก็เป็นเป็นธรรมดาของคนเรานะแต่ว่าถ้าลืมเวลาลืมสิ่งของเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าลืมตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาลืมตัวนี่เป็นปัญหาขับรถอยู่นะถึงแม้จะจำทางได้ ถ้าเกิดจะลืมลืมทางก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่อย่างมากก็เสียเวลาหลงทางแต่ว่าถ้าเราลืมตัวเช่นขณะที่กําลังขับรถใจลอยเนี้ยใจลอยลืมไปเลยว่าตอนนี้กําลังขับรถอยู่หรือว่ากําลังโทรศัพท์คุยกับเพื่อนไอ้ตอนนั้นมันก็ลืมไปเลยนะ ยิ่งกำลังเถียงกันกําลังกทะเลาะกับเพื่อนกําลังทะเลาะกับแฟนเนี่ยมันลืมไปเลยนะว่ากําลังขับรถเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดอุบัติเหตุชนคนไปเฉี่ยวชนหรือว่าไปชนเสาไฟฟ้าอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่คนลืมตัวนะเพราะว่ากําลังคุยโทรศัพท์ มันก็มากขึ้นเรื่อยๆลืมของไม่เท่าไหร่นะแต่ลืมตัวนี่เสียหายเยอะแล้วถ้าลืมตัวบางทีมันก็ทำให้เกิดลืมอย่างอื่นที่เลวร้ายเหมือนกันมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทุกช้าเวลากับไปทำงานก็จะมีเพื่อนเพื่อนบ้านติดไปด้วย เพื่อนบ้านจะเอาลูกไปส่งที่เนอร์เซอรี่อนุบาลซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลก็ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรนะเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันนะก็ช่วยเหลือกันแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เพืนแม่ของเด็กเนี่ยเขามีธุระเขาก็เลยฝากให้ในายุทศมนติเนี่ยเอาลูกเขาไปส่งที่เนอร์เซอรี่โดยที่ผู้ที่เป็นแม่ ไม่ได้นั่งรถไปด้วยเด็กก็นั่งอยู่ข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่ทากันตลอดวันนั้นบังเอิญนะมีมีประชุมสำคัญของเทศบาลแล้วก็คงจะออกรถสายด้วยนะในอนเดียส่วนตีเนี่ยตอนที่ขับรถแกก็คงคิดแต่เรื่องการประชุมแหละคิดแต่เรื่องการประชุมแล้วยิง ทำถ้าว่าจะไปประชุมไม่ทันเนี่ยแกก็ยิ่งกังวลขับรถไปก็คิดแต่เรื่องประชุมนี่แหละจะต้องรีบไปให้ทันพอถึงเทศบาลแกก็รีบลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นไปประชุมกว่าจะประชุมเสร็จ ก, ก็เที่ยงเที่ยงเสร็จ ก, ก็กินข้าวแล้วก็ทำงานต่อจนถึงสีโมงห้าโมงเย็น ก็ลืมเด็กไปเลยนะลืมเด็กไปเลยว่าเด็กอยู่หลังรถลงมาจากสำนักงานเทศบาลยังไม่เห็นเด็กนะก็ขับรถกลับบ้านพอมองกระจกหลังอ๊ยตกใจนึกขึ้นมาได้ว่าทิ้งเด็กเอาไว้เป็นวันเลยนะตั้งแต่8ดโมงกว่าจนั้งห้าโมงเย็นรีบ จอดรถลงมาดูอาการเด็กบอกว่าเด็กตายแนละ้วเด็กขาดน้ำขาดน้ำเพราะอะไรเพราะว่าโดนแดดเผามันอ้าวข้างในเด็กอยุส 3-4 ี่ขวบเปิดประตูรถไม่เป็นไม่มีใครสอนนะก็ก็เลยตายก็เป็นข่าวนะเมือ่อสัก 2-3 ปีก่อนอันนี้ มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากการที่คนขับหรือเนโอเทสมนตีในแกแกหมกมุ่นนะคิดคุ้นคิดแต่เรื่องการประชุมอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะตอนที่แกใจลอยขณะขับรถเนี่ยสภาวะตอนนี้อย่างนั้นเรียกว่าใจลอยและลืมตัวเมื่อลืมตัวก็ทำให้ลืมเด็กนะที่ติดรถมาด้วย เป็นความลืมตัวที่ก่อความเสียหายที่ร้ายแรงมากและมีแบบนี้เยอะนะแต่ว่าอาจจะราละเอียดแตกต่างกนะันเช่อนอย่างบางแห่งนี่แม่นี่วันเสาร์อาทิตย์จะไปห้างเทสโก้โลตัสเอาลูกไปด้วยอยู่หลังรถแม่นี่ก็ระหว่างที่ขับแล้วก็คิดเรื่องว่าจะซื้ออะไรบ้าง นะพอถึงที่จอดรถซึ่งมันเป็นที่จอดรถกลางแจ้งนะก็ลงจากรถไปเลยแล้วก็รีบวิ่งนะไปที่เข้าไปในห้างช้อปปิง้งเป็นชั่วโมงกลับออกมาตกใจเห็นลูกถูกทิ้งไว้ในรถนะเพราะปกติเวลาไปไปซื้อของในห้างนี้ไม่ได้อาลูกไปเพลินวันนั้นพี่เลี้ยงไม่ว่าง ไม่อยู่ก็เลยต้องเอาลูกติดรถไปด้วยแต่ว่าเนื่องจากไม่เคยไม่ค่อยทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรก็เลยทำตามความเคยชินนะพอจอดรถได้ก็ลงเลยพอลงเลยก็เสร็จนะพอใจในหมกมุ่นอยู่เรื่องการช้อปปิง้งการจับจ่ายใช้จับจ่ายซื้อของอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะ ตัวอยู่ตัวขับรถแต่ใจนี่ไปที่ห้างแล้วการขับรถก็เป็นการขับแบบอัตโนมัติเราก็คงท้กคนที่ขับรถคงเคยนะมือจับพวงมาแลัยแต่ใจไม่รู้ไปไหนนะมันเป็นอัตโนมัติเนี่นี่เรียกว่าลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็อาจจะลืมอย่างอื่นตามมาที่ไร้แรงถึงบอกว่าลืมของเนี่ยมันไม่ น่ากลัวถ้าก็ลืมตัวบางคนนี่จำของจำได้แม่นนะว่าวางของไว้ที่ไหนเวลาจะนึกขึ้นมาก็นึกได้ไวนะกุญแจเอ่ยกระเป๋าเอ่ยบางคนก็จำวันเกิดเพื่อนได้ทุกคนที่รู้จักกันนะบางคนสมัยก่อนนี่จำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้ พอสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะต้องใช้สมุดโทรศัพท์โทรไปมากๆบ่อยๆก็จําได้การที่จําได้นี้เรียกว่าสตินะสตินี่ทําหน้าที่คือระลึกได้แต่ถ้าเกิดเห็นหน้าแล้วจําได้นี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สตินะอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญานะเห็นหน้าจําได้อ๋อชื่ออะไรอันเนี้ยเรียกว่าสัญญา แต่ว่าสตินี่มันทําหน้าที่คล้ายๆแต่ไม่เชิงทีเดียวคือว่ามันอยู่ในความจําแล้วพอจะระลึกนึกขึ้นมาได้ก็นึกขึ้นมาได้เลยนี่เรียกว่าสติหน้าที่หนึ่งของสติคือการจําได้เรามีสติกันทุกคนนะแต่ว่าเป็นสติเกี่ยวกับเรื่องนอกตัวสติจําได้เกี่ยวกับเรื่องกุญแจนะ เบอร์โทรศัพท์เพื่อนจำได้ว่ า, ากิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างจำได้ว่าเมื่อเสร็จการอบรมแล้วนี่จะต้องไปหาแม่หรือว่าจะไปหาเพื่อนอันนี้จำนัดหมายได้อันนี้เป็นเรื่องสติที่เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้ว แต่เป็นสติเกี่ยวกับเรื่องนอกตัวสติที่เรามีกันน้อยแม้กระทั่งคนที่จำอะไรต่ออะไรได้มากมายก็คือการระลึกได้เกี่ยวกับตัวเองคือระลึกได้เกี่ยวกับกายและใจส่วนใหญ่ก็จะสติส่วนนี้นี่จะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือลืมง่ายเราคงจะประสบด้วยตัวเองมาแล้วนะเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรม มันรู้สึกตัวได้ไประเดียวเดียวหรือว่ารู้สึกว่ากําลังยกมือสร้างจังหวะได้ไประเดียวเดียวประเดียวเดียวก็ลืมละลืมละใจลอยไปโน่นไปนี่นั่นแหละเขาเรียกว่าลืมตัวเราจะพบว่าเราลืมตัวเร็วมากเลยยกมือสร้างจังหวะได้ไม่ถึงนาทีลืมตัวละลืมไปว่ากําลังยกมือเดินจังกลนไปไม่ถึงไม่ถึงสองรอบลืมไปแล้วว่ากําลังเดินอยู่ ความรู้สึกที่ว่ากําลังเดือดมันหายไปเลยเพราะตอนนั้นใจหลายใจลอยไปให้เราคงจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ้การลืมตัวนี่มันง่ายเหลือเกินให้การลืมของลืมลืมโนอลื ม, ล ม, ล ม, ลมนี่นี่บางทีมก็เกี่ยวกับวัยนะบางคนตอนที่ยังถูกยังสาวก็จําได้แม่นแต่พอแก่ตัวก็จะเริ่มลืมมีคุณยายคนนึงนะมาจากตรังมาเยี่ยมหลานแกเป็นข้าบดีนะ หลานอยู่กรุงเทพมีสองคนรักหลานมากมาเยี่ยมหลานก็พาหลานไปกินพัตคาลร้านหลนะูแล้วก็กินไปก็ถามลูกนะถามหลานว่ามีกินมีใช้ไหมหลานก็บอกว่าพอใช้ครับยายก็บอกว่าไม่เป็นไรนะยายเดี๋ยวจะให้เงินหลานสักหน่อย นะเก็บไว้เป็นค่าอาหารค่าขนมแล้วกันแล้วควักเงินมาให้สองหมื่นนะ ใ, หให้หลานหลานก็ดีใจขอบคุณนะเสร็จแล้วก็คุยกันโน่นนี่ผ่านไป5้านาทียายก็ถามอีกถามหลานมีกินมีใช้ไหมยายบอกหลานก็บอกมีครับเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะเอาเก็บไว้เป็นค่าขนมแล้วกันและทำท่าจะ จะควักเงินหลานก็บอกว่ายายเพิ่งให้เมื่อกี้นี้เองสองหมื่นยายก็บอก อ, อ๋อเหรอเออดีละแล้วก็คุยกันต่อคุยไปกินไปยายก็ถามอีก ม, มีกินมีใช้ไหมหลานคนนี้แกล้งยายบอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีใช้เลยครับหลานยายก็เลยควักเงินมาเ ป, เ, ปเปิดกระเป๋าควักเงินตกใจเงินหาย นะ เ, เงินหายไปไหนหลานบอกไม่ได้หายแล้วก็ยายเพิ่งให้ไปเมื่อกี้นี่เองโอแล้วไปเนี่ยความจำเนี่ยมันคนนี่พอแก่ตัวเนี่ยนะจะจำได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วความความลืมก็จะก็จะมานะจำได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ลืมแล้วนะลืมเร็วมาก แต่การอาการแบบนี้เนี่ยลืมเร็วมากเนี่ยมันเป็นอาการของคนแก่หรือว่าของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองจะลืมเร็วมากแต่พวกเราเนี่ยนะแต่เรื่องการลืมตัวเนี่ยนะไม่ต้องรอให้แก่นะหนุ่มสาวหรือเป็นเด็กเนี่ยก็จะลืมตัวได้ไวลืมเงินลืมของเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะกว่าจะลืมเร็วนะพอแก่แล้วนี่ลืมเร็วมากเลยแต่ลืมตัวเนี่ยนะไม่ต้องแก่นะ เป็นวัยรุ่นนมสาวเป็นเด็กก็ลืมได้เร็วอันนี้มันไม่เกี่ยวกับสมองมันเกี่ยวกับเรื่องใจใจที่ใจที่ไม่ได้ฝึกถ้าลืมแบบคุณยายคนนั้นเนี่ยมันฟื้นยากนะต้องยอมต้องทาใจบางคนหนักกว่านั้นนะบางทีไม่ได้แก่นะแต่ว่ามีปัญหาสมองกระทบกระเทือนไปหาหมอเนี่ยหมอเจอหน้าหมอทุกครั้งหมอเจอหน้าทุกครั้งหมอก็ต้องแนะนาตัวว่าเชื่ออะไร แต่ผ่านไปห้าลัทีคนไข้ก็จะลืมแล้วว่าหมอเป็นใครหมอก็ต้องแนะนําตั ว, วเป็นชื่ออะไรบางทีหมอไปเข้าห้องน้ํากลับมาคนไข้ตกใจว่าเป็นใครอหมอก็ต้องแนะนําตัวว่าอ๋อเป็นหมอที่มาดูแลอันนี้มันเป็นอาการคนที่ลืมไวแต่เป็นเพอาะความผิดปกติในสมอง แต่ถึงแม้ไม่ป ก, ไมปกติในสมองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความลืมตัวแล้วเนี่ย ม, มันไม่เกี่ยวกับอายุเลยแต่ของพวกที่มันฝึกได้นะฝึกได้นะทำให้ลืมช้าลงแล้วก็ระลึกได้ไวขึ้นเนี่ยนี่ทำได้นะ ม, น ม, นมันง่ายกอกการช่วยทำให้คนแก่นะมาระลึกได้ไว เพราะนันเป็นเรื่องสมองใ้เรื่องการที่ระลึกได้ไวในเรื่องเกี่ยวระลึกได้ไวในเรื่องเกี่ยวการและใจเนี่ยมันจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าใครๆก็ทำได้ขอเพียงแต่ว่าต้องฝึกนะจะว่ายากก็ยากเพราะมันไม่ต้องมันมันไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้อย่างกรณีอย่างคุณยายนี่ก็อาจจะช่วยได้ด้วยการผลิตการกินยาบางชนิด นะก็จะช่วยทำให้จำได้ดีขึ้นแล้วก็ลืมได้น้อยลงหรือว่าความหลงลืมบัญช้าลงแต่ว่าการที่จะให้มีความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ไม่ลืมตัวง่ายๆเนี่ยมันไม่มียานะมันมีแต่ต้องฝึกนะทำบ่อยๆทำบ่อยๆใหม่ๆ ม, มันก็จะลืมไวลืมตัวไวมากเลยบางทีทำว่ดสดมน์นะสวดไปได้เดียวๆไปแล้วลืมแล้ว หรือม่ากาลังสวหมนใจลอยแต่พอเราฝึก บ, บ่อยๆฝึก บ, บ่อยๆเช่นฝึกด้วยการเดินจังกรมสร้างจังหวะในะหม่ๆ ม, มันก็ลอยไปไกลกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลานานคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยรู้ถึงค่อยระลึกได้แต่เราก็ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ทำไปทาไปทาไปความคิดที่มันเคยยืดยาวเป็นขบวนรถไฟนะ มันก็จะเริ่มสั้นลงจากสิบเรื่องถึงค่อยรู้ตัวก็เหลือแปดเรื่องเจ็ดเรื่องหเรื่องตอนหลังนี่แค่คิดเรื่องเดียวไม่ทันจบก็ก็รู้ล้นะรู้ตัวรู้ตัวว่ากำลังยกมืออันนี้เรียกว่าวางความรู้สึกวางความคิดได้เร็วนะความระลึกรู้ในเรื่องกายเรื่องใจหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาเร็ว เพราะว่าสติรู้ทันได้ไวสติรู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันแล้วมันวางนะก็ทําให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก่อนใจมันลอยจิตมันลอยไหลไปนอกตัวเยอะแยะนะอันนี้เราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอมีสติปุ๊บรู้ทันวางจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นเมื่อมีความรู้สึกตัว ยกมือก็รู้สึกเดินก็รู้สึกเสียงนกร้องก็ได้ยินแต่ว่าก็ปล่อยวางได้เร็วแต่ถ้าเผลอเมื่มอไหร่ใจมันก็ไหลไปที่เสียงนกไหลไปที่นกไอ้ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวละไอ้ตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวละลืมไปว่ากาลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่ากาลังเดินความรู้สึกว่ากาลังนั่งก็หายไป อาจจะชั่วขณะแล้วก็พอมีสติกลับมาก็รู้สึกตัวใหม่เห็นใจในว่าความรู้สึกความรู้สึกตัวหรือว่าความระลึกได้นี่มันเป็นเกลือกันนะช่วยกันนะถ้าระลึกได้ไวระลึกได้หมายถึงระลึกได้นว่ากําลังทําอะไรอยู่นะความรู้สึกตัวก็จะมาความรู้สึกตัวมานะเคลื่อนไหวมือไปมาก็รู้สึกชัดเจนแต่โดยที่ไม่ได้ต้องไปเพ่งมัน อันนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆและพอเรามีสติดีนะเรามีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องนะจิตใจเราจะเบาลงนะเพราะว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกเพราะอะไรอย่างอื่นเลยนะแต่ทุกเพราะใจไปแบกไปยึดเอาไวา้อย่างที่พูดเมื่อเช้า เราไปแบกบไปยึดกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตนะแล้วเราก็เอาแต่คร่ำครวญเสียใจหรือโกรธแค้นหรือมิฉะนั้นก็ไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็กังวลคนเราทุพ้อใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตมากไปอยู่แบบไม่ตั้งใจนะคือไหลไปอดีตแล้วก็เลยคร่ำครวญ พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะนึกถึงอดีตไม่ได้เรานึกได้นะถ้าเรานึกแบบใครครวนเช่นเราทางานนะเราก็มาประเมินว่าเอองานมันเป็นอย่างไรมีข้อผิดพลาดตรงไหนอันนี้เราเรียกว่าใครครวนเป็นสิ่งที่พรเจ้าสนับสนุนให้ทำนะหรือว่าเราถึงวันเกิดเราเราก็ใครครวนชีวิตที่ผ่านมาว่าเรา ได้พลังเผือพลังพาดตรงไหนบ้างแล้วเราควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างการไคร้ควรวนแบบนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะมันไม่มันไม่มไมค้ควรวนะมันคล่ำควรวญนะความสูญเสียความเสียใจก็กลายเป็นก้อนหินที่มันแบกไว้ในใจเกิดความหนักอกหนักใจหรือกลายเป็น หนามแหลมที่คอยทิ่มแทงทั้งที่น้ํานี่มันก็ไม่ได้มาจากไหนเลยมันเกิดจากใจที่ไปยึดเอามาทิ่มแทงตัวเองเอามากรีดตัวเองแต่ถ้าเราใคร่ครวญเนี่ยแม้เรื่องที่เจ็บปวดแนด่ดีเราก็จะได้บทเรียนนะบางที่อกหักหรือว่าทํางานผิดพลาดเราใคร่ครวญแล้วเราก็ได้บทเรียนนะ เมื่อเราได้บทเรียนเราฉลาดขึ้นเราก็จะไม่ทําผิดพลาดซ้ํา2อันนี้มันจะทําให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าเพราะความสําเร็จในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการงานก็เกิดจากการที่รู้จักสรุปบทเรียนและการสรุปบทเรียนก็เกิดจากการที่เราใคร่ครวญอดีตที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับคําสองของพรธเจ้าแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือเราปล่อยใจ ให้มันครลำครวนกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือคับแค้นะกับสิ่งเรื่องราวที่เป็นอดีตอันนี้เกิดจากการลืมตัวอันนี้เกิดจากการที่ไม่มีสตินะในตอนนั้นแหละที่เราไม่รู้สึกตัวเราถึงครลำครวนแต่ถ้าเรามีสติเราจะไม่เผลอไม่พลาดเข้าไปในอาการแบบนั้นจะไม่จะไม่ครลำครวนแล้วนะจะไม่จมอยู่ในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอดีตหรืออนาคต แต่ว่าเราจะโปร่งเบามากขึ้นนะเราจะมีความอิสระนะเราจะไม่ใช่เป็นทาสของอดีตแต่เราจะเป็นนายของอดีตก็คือว่าเอาอดีตมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยให้มันโบยตีหรือว่าซ้ำเติมจิตใจเราถูกโกงเงินไปแล้วก็ไม่ได้เครียดแค้นไม่ได้เสียใจเราก็ได้เบิดเรียน เรียกว่าเอาอาดีตเป็นครูเอาอาดีตมารับใช้ปัจจุบันอันนี้มันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วกลายเป็นของดีเพราะาเรามีสติในการพิจารณาแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะกลายเป็นท่าของอดีตอดตีก็จะล่ามโซ่จิตใจขงเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้ามีหลายคนที่เสียใจกับพอสูญเสียคนรักแล้วก็ ยังไม่อยู่กับปัจจุบันเลยใจก็ยังอยู่กับอดีตตัวอยู่กับปัจจุบันแต่ใจไปอยู่กับอดีตนะคร่ำครวรเสียใจอันนั้นเนี่ยเรียกว่าปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เราไม่จาเป็นต้องลงเอยแบบนั้นนะถ้าเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวนะซึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่เราฝึกบ่อยๆ อ, อย่างที่เราทำอยู่นะในช่วงสองสวันนี้ อันก็คอยมีความเพียรในทําไปเรื่อยๆด้วยความเข้าใจจุดมุ่งหมายแล้วเห็นคุณค่าของมันอา่าข้านี้ก็พูดกับท่านนี้นะครับ